ไม่เป็นหลงเพลิดเพลิน อ, อยู่ในโลกของความคิดในโลกนี้หาคนที่ตื่นขึ้นมายากที่สุดนะเราตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจไม่ตื่นหรอกนับตัวได้เลยนะในโลกนี้ตอนแรกๆที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้คนไม่เชื่อนะถามว่าดูถูกเหยียดหยามซนะิีงบอกถ้าไม่ตื่นแล้วจะขับรถมาวัดได้ยังไงนะไม่ตื่นแล้วจะทามาหากินได้ยังไงมันตื่นแต่ร่างกายจิตใจไม่ตื่น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 ขึนมาเล็กๆแค่ขัดใจนิดๆก็แค่ขุนๆอยู่กลางอกนะถ้ามันรุนแรงนะมันพุ่งขึ้นหน้าเรียกว่าเลือดขึ้นหน้านะเห็นช้างเท่าหมูนี่น่อะไรเห็นไะม่ตรงความเป็นจริงให้เรารู้ทันนะรู้ทันกิเลสก่อนที่จะเป็นกิเลสตัวใหญ่เนี่ยเป็นกิเลสตัวเล็กมาก่อนนะถ้ากิเลสตัวใหญ่แล้วสู้ยากเหมือนคู่ชกเราตัวโตวแล้วนะเราต้องชกตั้งแต่มันยังไม่โตนะชกเด็ก ได้เปรียบโชคเด็กๆได้เปรียบเนีกิเลสตันมันเป็นเด็กๆนะมันค่อยๆไหวยิบยับยิบยับยิบับขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ทันมันนี่แต่ก่อนที่เราจะเห็นกิเลสตัวเล็กได้เราก็ต้องหัดเห็นกิเลสตัวใหญ่ก่อนเพราะกิเลสที่ละเอีย e ดมันดูยากอัติแรกก็จะเห็นของหยาบเช่นโทสะโทสะเกิดแล้วถึงจะเห็นต้องโมโหแรงๆก่อนถึงจะรู้ว่าโมโ oh หขัดใจเล็กๆยังไม่รู้ว่าขัดใจ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 ถ้ายากก็ไม่มีใครทำได้ตอนนี้คนที่ฟังหลวงพ่อทำได้เป็นพันแล้วละ่ะนะจิตที่ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาถ้าไปที่วัดหลวงพ่อจะเห็นเลยบางวันนะคนมานั่งในศาลายังกระดาวแพรวไปหมดเลยนะสว่างสบายแต่ละคนเขามีความรู้สึกตัวขึ้นมาถามว่าไปทำอะไรมาแล้วดีต่ตอบเหมือนกันเลยว่าไม่ได้ทำเราดีเนะนี่ยมันมันเหลือเชื่อนะทาแทบตายไม่ดีหรอก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 ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันไม่ได้สักอย่างนี่ดูลงไปจนเห็นความจริงแล้วมันบังคับไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงร่างกายก็ยืมก็ไม่ใช้ยืมมัดถูท่านมาใช้ส่วนจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบั ง, บงคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงใครเห็นความจริงอย่างนี้เรียกว่าพระโสดาบันหลังจากนั้นให้รู้กายให้รู้ใจต่อไปอีกพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีก็ภาวนาอย่างเดียวกันนั่นแหละ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 เมื่อมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันสัมผัสสิ่งที่ดีได้มันก็ยังสัมผัสกับสิ่งที่เร็วๆได้เห็นของสวยได้มันก็เห็นของน่าเกลียดได้ได้กลิ่นหอมได้ก็ได้กลิ่นเหม็นได้มันเลือกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เลือกจะดมแต่ของหอมๆนะกินของอร่อยได้ก็กินของไม่อร่อยได้บางทีก็ไม่อร่อยเหมือนกันสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายแมบางครั้งก็นุ่มนวลใช่อ่อนโยนนุ่มนวลแหมสบาย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 คนที่นอนนานๆแล้วมีความสุขมีอยู่คนเดียวคือกุมภกร <c oughs> ุมภกร น, นอนครั้งละเจ็ปีเพราะมันเป็นนิยายส่วนะนคนทั่วๆไปต้อนอนนานๆมีความทุกข์นะร่างกายมันจะทุกข์เนี่ยทําอะไรอะไรก็ทุกข์หมดเลยนะเราต้องคอยบําบัดทุกข์ตลอดเวลาหิวขึ้นมาก็ต้องไปหาของกินร้อนขึ้นมาต้องไปอาบน้ํานั่งนานๆเมื่อยก็ต้องขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถนอนก็ต้องนอนพลิกซ้ายนอนพลิกขวา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 ทุกวันนี้ที่รักกายเพราะว่าเห็นว่ามันยังทุกข์บ้างสุขบ้างยังมีทางเลือกถ้าสติปัญญาแก่รอบนีกายนี้ทุกขล้วนๆไม่มีทางเลือกลนะ้เห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายได้นะภูมิจิตของคนที่ปล่อยวางความยึดถือกายได้คือภูมิจิตของพระนาคามีถ้ายัางไม่ใช่พระนาคายังปล่อยไม่ได้จริงหนระอกเพราะพระนาคานี่ไม่ยึดกายก็ไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสและผดทัพพะคือสิ่งที่มากระทบกาย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 นะถ้าเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะวันนั้นแหละจะเป็นพระอรหันตนะ์นะนั้นเฝ้ารู้ลงไปนะรู้ลงไปจกนกระทั่งไม่ยึดอะไรสัอย่างนะสิ่งสุดท้ายที่เราจะยึดไว้ก็คือจิต น, นั่นเองสิ่งสุดท้ายที่จะละความเห็นผิดได้ว่าไม่ใช่เรานะีก็คือจิตสิ่งสุดท้ายที่จะหมดความยึดถือได้ก็คือจิตเพราะฉะนั้นจิตนี่ดูยากที่สุดนะระณีที่สุด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 ถ้าแต่พูดให้ตรงๆ ต, ตามความหมายของท่านก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมัติไม่ใช่มัติเบื้องต้นหรอกมัติเบื้องต้นรู้กายรู้อะไรอย่างนี้แหละรู้จนกระทั่งเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราสักอันเดียวแต่พอถึงขั้นท่านักคาขั้นจะเดินต่อไปนี่มันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวนี้แหละเมื่หมดความยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกจิตจะกว้างขวางไร้ขอบไรเขตไร้จุดไรดวงไรที่ตั้งนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลย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 อะไรก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันใช่ไหมพร้อมจะนับถืออะไรก็ได้เอาอะไรมาห้อยก็ได้นะไหว้มันหมดแหละหมูหมากากไก่วัวสามขาก็ไหว้ใช่ไหมะอะไรอะไรเกิดขึ้นมาเราก็นับถือหมดเทวดงเทวดานมนุษย์สร้างเทวดาแล้วมนุษย์ก็กลัวเทวดาแล้วมนุษย์ก็ไปไหว้เทวดาเราขายพระพุทธเจ้าได้นะขอให้รวยก็แล้วกันเนี่ย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 ขยับนะเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าถ้าจะยังไงนะลังเลเหมือนกันนะสงสัยเวลาเจอท่านนะขยับจะถามเดี๋ยวเอาไปดูอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อ ย, อ, อ, ยอีกหน่อยนะจนท่านวรณภาพเป็นแถวแถวไปหมดแล้วนะสุดท้ายเอา้าจะถามใครละ่ะต่อไปนี้ไม่มีใครให้ถามแล้วว่าจะดูตัวผู้รู้หรือจะดูสิ่งที่ถูกหลุไม่มีใครให้ถามหรอภาวนาว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 มัวไปยุ่งกับโลกว้างอะไรบ้างนะมึช่วงก็มัวสัว่วอยู่กับโลกไม่ค่อยได้ภาวนามากนะักแค่ภาวนาเล็กๆน้อยๆไปจําบันเป็นข้อวัดปฏิบัติไปแต่ไม่ได้ภาวนาจริงจนะังถ้าตอบปัญหาข้อนี้ไม่ได้นะงั้นนึกถึงพวกเซนพวกเซนบางทีเขาตั้งเขาเรียกอะไรนะคูอา่านใช่ไหมตั้งคําถามหรือตั้งปริศนารมขึ้นมา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 แล้วมันผุดขึ้นมามันรู้สึกนี่คือพระนี่คือการหมายรู้สัญญาน ะ, ะสัญญาเนี่ยเว้นไม่ก่อนให้ดูสังขารดีกว่าหรือดูเวทนาดีกว่าเช่นเห็นพระเดินมาเนี่ยใจก็นึกเอ๊สงสัยพระปลอมเดินไม่เรียบร้อยเนี่ยใจรู้สึกรังเกียจ ใ, ให้รู้ว่ารังเกียจหรือองค์นี้เดินเรียบร้อยหน้าเรื่อมใสใจรู้สึกเรื่อมใสรู้ว่าเรื่อมใสถ้าเห็นพระเดินมารู้ว่าเป็นพระเดินมาเนี่ยคนที่ไม่ภา ว, า <S <S วนาเขาก็รู้เหมือนกัน ดังนั้นเป็นรู้ระดับสัญญ า, <Okay. S 1> างัให้รู้ลงไปลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งรู้ปฏิกริยาของจิตที่เกิดขึ้นเ <Okay. S 1> ช่น <Okay. S 1> เห็นพระเดินมาจิตเกิดความเลื่อมใสรู้ว่าเลื่อมใส <Okay. S 1> เห็นพระเดินมาจิตเกิดสงสัยว่าพระจริงหรือพระปลอมรู้ว่าสงสัย <Okay. S 1> ให้รู้ลงไปตรงนี้ <Okay. S 1> เหมือนหลวงพ่อมีญาติคนหนึ่งมาไหมคงไม่มานะอยู่ไกลไปภาวนาที่วัดเสร็จแล้ววันหนึ่งก็บอกหลวงพ่อบอก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 อืมานมสักการแล้วบ้าไงไหมตอนตอนนี้หนูตื่นเป็นนะคะแล้วอยากส่งกันบ้านหลวงพ่อเพราะว่าก็ปฏิบัติมาได้สักพักนึงค่ะว่าทําตรงจริตหรือเปล่าแล้วก็ที่ทําเนี่ยถูกต้องไหมถูกถูกต้องะะดูไปเรื่อยๆนะใช้ได้ค่ะเห็นกิเลสแล้วตอนนี้ขนลุกค่ะไม่รู้ลงไปนะ <c oughs> เกิดอะไขึ้นรู้รูปเดี๋ยวหลวงพ่อค่ะหนูมีสองอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากถามก็คือ อาการเหมอะค่ะคือบางทีเวลาหนูเมอะหรือว่าเวลาที่ร่างกายมันเหนื่อยมากหนูจะเมอพอเมอเนี่ยหนูจะรู้ว่าเมอแต่มันจะอึ้งๆอยู่สักพักหนึ่งมันไม่ได้ขาดอะค่ะแล้วก็กแล้วก็จะ<า>ค่อยหายเมออยากให้ขาดไหมก็อยากให้ขาดเออไปดูอยากนะจ <laughs> ิตมันมีกิเลสอยู่จะขาดได้ไงจิต<อ>มันมีความอยากอยู่ใช่แล้วก็อีกอาการก็คืออาการเสงตัวเองอะค่ะเซ็งให้รู้ว่าเส็ง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 อย่าขี้เกียจ น, นะที่ภาวนาะใช้ได้แล้วดีแล้วใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วดีัเด็กหน้าตาใสาๆเยอะอการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะยกรออนุญาตส่งกับส่งกับบ้านเจ้าค่ะต อ, อ, อนนี้เนี่ร่างกายเค้นไหวก็จะตื่นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นถึงความอยากอย่างเช่น ว, ว่าเกาอยากจะไปเกาเริ่มเห็นตรงนี้แต่ว่าพอ เห็นถ e ึงอาการแล้วที no. ่กำลังมือกำลังจะไปเคลื่อนไปเกาเนี่ยมันเพ่งมือก็รู้ว่าเพ่งแล้วก็ไม่ชอบก็รู้อีกว่าไม่ชอบแบบนี้นี่ก็ดีแล้วเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปด้วยอะไรปรากฏก็รู้ไปดีแล้วเขาที่ท้าหลวงพ่อสอนว่ายงยังตั้งใจลดลงนะใช้ได้ดีขึ้เอาจิรัสมองกันตัวแข็งเลย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 เวลาเข้าไปสํานักครูบาอาจารย์ที่ท่านหันมามองบางองค์ออกปากเลยเอ๊ะมันไปรวมกันมาได้ยังไงมันตื่นมาหมดเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วคนที่จะตื่นขึ้นมานะแต่ละแห่งแต่ละที่หาสักคนสองคนก็ยากนี่หลวงพ่ อ, อยังบุญไปเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วถูกกัะจริตเจอหลวงปู ด, ดูลท่านสอนถูกกระจริตให้หัดดูจิตตัวเอง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 ไม่ใช่ภาวนาแล้วจะเจริญสติรวดไปเลยมันแห้งแรงไม่มีเรี่ยวมีแรงพอจะต้องรู้จักพักเหมือนกันใครจะคุยต่อห อ, อากานองพ่อค่ะผลิตแบบหนูนี่เหมาะจะดูจิต่าคะาจะดูยังไงหมอห ม, มอเป็นคนช่างคิดหมอที่จะดูจิตเราจะดูยังไงอะเหรอรู้จักโมโหไหมเคยโกรธไหม เคยอยากไหมอยากดูหนังอยากดูการ์ตูนอยากกินขนมเคยไหมเคยค่ ะ, ะเคยอิจฉาไหมเคยค่ะอิจฉาใครอิจฉาน้องไหมไม่ค่ะไม่นะ้อนี่เกรงใจเพราะน้องมา ด, ด้วยนะเคยรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเคยค่ะอะ่เนี่ยเห็นไหมอะไรๆเราก็รู้ใช่หไหมเมื่อไหร่ต่อไปนี้ความรู้สึกในใจเราเป็นยังไงนะรู้ว่าเป็นอย่างนั้น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 พ อ, อขอโทษครับขออีกนิดนึงได้ไหมครับว่าไปที่ผมก็ปฏิบัติอยู่ตามที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ไปใช่ได้ดูไปได้่อยนะตอนนี้มันตื่นเต้นมันเกินจริงที่ฝึกอยู่ที่บ้านใช้ได้กราบนมาสการหลวงพ่อค่ะไหนยกมือหน่อยนี้คะ่ะอ๋อค่ะก็คือครั้งก่อนเนี่ยเคยเรียนถามหลวงพ่อแล้วว่าการดุูจิตของตัวเองเนี่ยมาถูกทางหรือยัง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 ในขณะนั้นเลยเออไอไอไอความการเห็นความหลกเนี่ยครับบางกีนะครับมันมันเหมือนกับโดนสภาวะของของขอคุสโ อ, อนครอบงาเห็นแล้วก็เห็นแล้วจะเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมากลางอากาศล้ยอย่างครับเห็นแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปไถูกต้องแล้วแต่แต่ถ้าเกิดในขณะที่จิตมีกําลังเนี่ยมันจะเห็นสภาวะเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดไปเรื่อยๆอะคะ่ะ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 มันจงมันดูอยู่อย่างเดียวถ้าเห็นราคาก็เห็นราคาราคาราคาทีเื่อยมันจงใจแรงไปให้คลายออกอย่างนั้นให้รู้เล่นเล่นรู้เล่นเล่นนะต้องภาวนาอย่างมีความสุขถ้าภาวนาแล้วจริงจังเกินไปมันจะเคร่งเครียดจิตใจไม่สบายครับแค่นี้ครับลดความจงใจลงนิดนึงนะนิดเดียวนะลดมากขี้เกียจึุณครับการวัฒการหลวงพ่อนะครับ เมื่อก่อนจิตเพ่งครับผมอ ต, ตอนนี้ก็ไปดูว่าตอนไหนเพ่งตอนไหนเพ่งดูไปเรื่อยๆจนมันรู้อันนึงจะเห็นอาการอออของคอพอปุ๊บมวยปากฟองตั้งเลยมันจะลุกคือเมื่อก่อนจะไม่เห็นนะครับแต่พอฝึกดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะการปากฟองชัดมากออพอรู้ทันมันก็จะหายอือผมใช้เวลาในการฝึกดูเรื่องเพ่งเนี่ยเกือบปีนะครับกว่าจะหายเพ่งนะคระตัวนี้ยากยากที่สุดเลย เพราว่าติดสมถะเนี่ยนะแก้ยากมันติดแล้วเพ่งถ้าเพ่งแล้วมันรู้สึกดีบางทีเพ่งแล้วก็รู้สึกว่ารู้อะไรได้ชัดเจนรู้ได้มากใช่เพ่งแล้วจิตไม่ไปปรุงอคูสนขึ้นมาเราก็เป็นคนดีอยู่มันติดดีงั้นการที่เราเพ่งกายเพ่งจิตเนี่ยนะือการดัดแปลงกายดัดแปลงจิตเนี่ยในอัธกถาท่านเรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดี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 ดีแล้วที่ภาวนาใช้ได้อ่าครับคือแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หายทุกวันนะครับบางวันมันก็กลับมาเพ่งอีกก็รู้ทันมันเลยเรื่อยว่ามันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ครับผมคำว่าบังคับไม่ได้ก็คือคำว่าอนัตตานั่นแหละครับอมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทำเผยทําติดตีดมาใจหมองครับก็คือรู้รู้ทันนะครับคิดเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่มันคําคิดมันหายแต่ว่าความหมองของใจมันไม่หายถ้าเป็นวิบากใช่ไหมครับเป็นวิบากวิบาก ครับผมต้องชดใช้ครับผมเป็นวันนะครับกว่าจะหายครับผมแต่ก็ยังเวลาเราไปทํากรรมชั่วมานะกิเลสดับไปแล้วการกระทากรรมเสร็จไปแล้วแต่ใจนะ่ะเศร้าหมองไปอีกพักหนึ่งเลยมัวมวขุ่นขุนไม่แช่มชื่นเนี่ยใช่ครับเป็นอีกช่วงหนึ่งต้องต้องชดใช้นะดีกว่าชดใช้ในนรกนะในช่วงตอนเนี้ยครับผมขอถามเรื่องตัมปัญธยาหนะได้ไหมครับ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 อย่าง น, นี้มากเข้ามากเข้าต่อไปก็เกิดปัญญาปัญญาในระดับที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาอันเป็นโลกิยะก็จะเห็นเป็นปัญญาที่เห็นว่าทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแ <lend. S 2> ล้วก็ดับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนี่เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งแลนะเป็นปัญญาในระดับวิปัสนานะต่อไปมีปัญญาแจ้งขึ้นมอีกระดับหนึ่งเห็นอริยสัจปัญญาที่เห็นอริยสัจเรียกว่าวิชา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 ตึงๆมาอยู่อะค่ะอ่เพรไปตรึงความรู้สึกไว้ครับผมระวังนะสายหลวงพ่อเตียนหลังๆคําสอนเคลื่อนจากที่หลวงพ่อเตียนสอนไปเยอะอ่าครับผมที่เป็นหลักจริงๆเลยก็ถ้านอาจารย์เขียนครับอาจารย์คำเขียนได้ยัางทรงคําสอนหลวงพ่อเตียนได้ครับบางคนนะบปรับให้ไปเพ่งใส่มือเริ่มต้นต้องเพ่งไว้ก่อนเนี่ยหลวงพ่อเตียนบอกไม่ให้ทําสมถะหลวงพ่อเตียนกลัวลูกศิษย์ติดสมถะท่านบอก ร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกให้รู้สึกไม่ได้ให้เพ่ง ร, นะรู้สึกรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันเพ่งมันเกิดจากโลภะอยากรู้ให้ชัดๆอยากไม่ให้คลาดสายตาแล้ะถลาลงไปจ้องในติดจิตตอนนี้จิตติดติดเพ่งติดเพ่งครับผมตอนนี้ติด เ, เพ่งเลยครับผมประคองอยู่ด้วยที่ทําอยู่ถูกไ้มครับที่ใจครับครับผมรู้สึกในใจเราค่อยเหมือนเหมือนมันเปิดออกเปิดออกครับผมครับ แต่วันนี้มืดมากเลยครับผมครับยังเรียกว่ามืดมาสว่างไปครับนักมาสการหลวงพ่อขออนุญาตเขากายรับผมครับหลวงพ่อผมถามว่าเวลาผมนั่งนะฮะบางครั้งแข็งทื่อเลยฮะแล้วบางครั้งก็สบายเบาแล้วก็เมื่อกล้วยแต่ลมหายใจที่ยอมทำมันเป็นสมถะเราใช้สติไประลึกรู้ลมหายใจ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 ที่ถูกรู้เนี่ยมันเพิ่งเกิดกับของโยมนะคะที่ที่ก่อนจะมาหาพระอาจารย์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้บทสรุปตรงที่ว่าตัวตัวผู้รู้กับตัวสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคือจะดูตรงไหนซึ<ม>่งซึ่งจะภาวะตรงนี้เนี่ยเพิ่งจะเกิดกับกับกับโย ม, มแล้วุโยมก็กลังคิดอยูก่ก่อนหน้านี้ก็กลังว่าเอ๊ะสรุปก็คือจะดูตรงไหนแต่เมื่อกี้ได้บทสรุปจากจากของพระอาจารย์ตรงที่ว่า มันไม่ใช่ตรงไหนมันคือคือมันไม่ใช่ตัวรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้อย่างนี้ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหมจ๊ะพะเขานะ้าใจถูกต้องนะเพราะสติเนี่ยเป็นอนัตตาถ้าสติจ ะ, ะระลึกรู้ตัวรู้ก็รู้ไปสติจ ะ, ะระลึกรู้ตัวถูกรู้ก็รู้ไปแต่ว่าถ้าคนใดภาวนาแล้วมีตัวผู้รู้ขึ้นมาต้องระวังอยู่ข้อหนึ่งอันตรายที่สุดเลยก็คือการเท่งใส่ตัวผู้รู้อย่าจงใจไปจ้องใส่ตัวผู้รู้นะ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 ลดสมาธิลงคือมันเป็นเองแล้วบังคับอะไรไม่ได้เลยค่ะหลวงพอ่อพอหลังๆไอ้<ะ>ไว้ถูกหายไปเคลื่อนไหมไหมไปเดินบ้างอะไรบ้างเรียดดีๆยาปวดไปอย่านั่งรวดเดียวไปดูพอพอพ อ, พอมันหายไปนะคะหลวงพ่อมันจะเห็นว่างๆค่ะแล้วเหมือนกับค่าๆอะไรสว่างสว่างอย่างนี้บางครเห็นเป็นดวกลมๆมันว่างก็รู้ว่าว่างไปสว่างขึ้นมารู้ว่าสว่างสว่างแล้วพอใจรู้ว่าพอใจหรือสว่างแล้วสงสัยว่าจะทํายังไงอีกรู้ว่าสงสัย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 แล้วบางทีสวดมนต์นะคะปากรู้ว่าเราปากขยับสวดแต่ว่าใจไปคิดแล้วบางครั้งลองดูนะคะถ้าแค่อีดีปีโสยังไม่ทันสว่างค่ะต้ได้ต้องเป็นแบบห้าสห้าสิบครั้งทำไมจิตแล้วมันคิดมากขนาดนี้พี่ถุดต้องภาวนาเก่งสติเราเกิดบ่อยพอเวลาใจไหลแวบนิดเดียวเราก็รู้สึกแล้วและมันอยู่ได้ชั่วคราวรู้สึกได้ชั่วคราวก็หนีไปคิดอีกก็รู้สึกนะเพราะงั้นสวดมนต์ไปเรื่อย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 ต่าสิ้นกาลนานเทิญนะครับรับอนน้ายะถาวะริวาฮาปูราปริปูเรนติสักขะรังเอวเมวัยโตทินังเปตาหนังุปกปติอิชิตังปะจิตังตุมังชิปเมวาสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันรโสยถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพโรโภวินสตู มาเตพวัตวันตาโยสุขีทีคายโยโภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังวุฒาปัจจัยโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขขังปลังผวัตุสัพพังคารังรักขันตุสัพเปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรมมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสดาโสถีปวันตุเต